อธิบายบทเสนาสนะคำว่าเสนาสนะแยกเป็นเสนาคำหนึ่งอาสนะคำหนึ่งอธิบายว่าภิกษุนอ น, นที่ใดๆจะเป็นวิหารหรือเรือนโรงมีเพิงเป็นต้นก็ตามที่นั้นชื่อว่าเสนาแปลว่าที่นอนภิกษุนั่งที่ใดๆ ที่นั้นชื่อว่าอาสนะแปลว่าที่นั่งสองคำนั้นท่านรวมเข้าเป็นคําเดียวกันแล้วจึงกล่าวว่าเสนาสนะแปลว่าที่นอนและที่นั่งคําว่าเพื่อบันเทาอันตรายคือฤดูและความยินดีในการหลีกเล่นอยู่มีอถาธิบายว่าอุตุนั่นเองชื่อว่าอันตรายคือฤดู เพราะอัตถาว่าเบียดเบียนเพื่อบันเทาซึ่งอันตรายคือฤดูและเพื่อความยินดีในการลีกเล้นอยู่อธิบายว่าฤดูการอันใดที่เบียดเบียนร่างกายและทำให้จิตฟุ้งซ่านไม่เป็นส ป, ปายะเป็นสิ่งอันภิกษุพึงบันเทาเสียด้วยการเสบเสนาสนะเพื่อบันเทาซึ่งฤดูการนั้นและเพื่อความสุขในความเป็นบุคคลผู้เดียว การบรรเทาอันตรายคือฤดูพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วด้วยพระพุทธพจน์มีอาธิว่าสีตะปฏิคาตะดังนี้โดยแท้แต่ถึงอย่างนั้นนักศึกษาพึงทราบว่าที่นี้พระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ซ้าอีกโดยทรงหมายเอาการบรรเทาอันตรายคือฤดูที่แน่นอนเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ในบทเสพจีวรว่า การปกปิดอวัยวะที่ทําให้ความละอายสูญหายไปเป็นประโยชน์ที่แน่นอนส่วนประโยชน์นอกนั้นมีได้เป็นบางครั้งบางคราวดังนี้อีกประการหนึ่งฤดูซึ่งมีประการดังที่กล่าวมาแล้วนี้ชื่อว่าฤดูคงที่ส่วนอันตรายมีสองอย่างคืออันตรายที่ปรากฏหนึ่งอันตรายที่ปกปิดหนึ่ง ในสองอย่างนั้นสัตว์ร้ายทั้งหลายมีราชสีและเสือเป็นต้นชื่อว่าอันตรายที่ปรากฏกิเลสทั้งหลายมีราคะและโทสะเป็นต้นชื่อว่าอันตรายที่ปกปิดอันตรายย่อมไม่ทำความเบียดเบียนโดยที่ไม่ได้รักษาโทวานและโดยที่เห็นรูปอันไม่เป็นสัปปายะนะเสนาสนะใดภิกษุรู้ คือพิจารณาเสนาสนะนั้นอย่างนี้แล้วเสพอยู่พึงทราบว่าชื่อว่าพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเสบเสนาสนะเพื่อบรรเทาอันตรายคือฤดูฉนันนี้อธิบายบทกีฬานปัจจยะเพษสัตบริขารในคําว่าซึ่งกีฬานปัจจยะเพษสัตบริขารนี้ มีอธิบายแดงต่อไปนี้เภสัตชชื่อว่าปัจจยะเพราะอัฐ่าว่าเป็นเครื่องต่อต้านโรคอธิบายว่าเพราะอัฐ่าว่าถึงซึ่งความเป็นค่าศึกของโรคคาว่าปัจจยะนี้เป็นชื่อของสัปปะยะอย่างใดอย่างหนึ่งกิจกรรมของหมอเพราะหมอนั้นอนุ ญ, ญาตแล้ว ฉนั้นจึงชื่อว่าเพสัชะเภสัชคือปัจจัยแห่งคนไข้ชื่อว่าคิฬานปัจจยะเภสัชะอธิบายว่าได้แก่กิจกรรมของหมออันเป็นสัปปายะแก่คนไข้ชนิดใดชนิดหนึ่งมีน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนคำว่าบริขาร พระผู้มีพระภาคตรัสเอาเครื่องล้อมก็มีในพระบาลีมีอาธิว่าพระนครเป็นอันล้อมดีแล้วด้วยเครื่องล้อมพระนครถึงเจ็ดชั้นตรัสหมายเอาเครื่องอลังการก็มีในพระบาลีมีอาธิว่ารถมีศีลเป็นเครื่องอลังการมีชานเป็นเพลามีวิริยะเป็นล้อตรัสหมายเอาสัมภาระก็มีในพระบาลีมีอาธิว่า เรื่องสัมภาระแห่งชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งอันบรรพชิตพึงนามาโดยชอบแต่ในที่นี้สัาบว่าบริขารแม้หมายเอาสัมภาระก็ควรแม้หมายเอาเครื่องล้อมก็ควรเพราะว่าขีฬานปัจจยาเภสัชนั้นยอมเป็นเครื่องล้อมชีวิตก็ได้เป็นสัมภาระของชีวิตก็ได้เพราะเป็นเครื่องรักษาไม่ให้ช่องแก่ความบังเกิดขึ้นแห่งอาพาธอันจะทาชีวิต ให้พี่นาฏไปเป็นสัมภาระของชีวิตก็ได้เพราะเป็นเหตุแห่งชีวิตนั้นโดยประการที่ชีวิตจะดำเนินไปได้ตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นคีฬานปปจยะเพษสัตรประผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นบริขารคีฬานปปจยะเพษสัตดังกล่าวมาแล้วนั้นด้วยเป็นบริขารด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่า คิลานปัจยเพษัตบริคารซึ่งคิฬานปัจจยาเพษัตบริคารนั้นอธิบายว่าซึ่งเพษัตอันเป็นสัปปายะแห่งคนไข้ชนิดใดชนิดหนึ่งอันหมออนุญาตแล้วมีน้ํามันน้ําพึ่งและน้ําอ้อยเป็นต้นอันเป็นบริคารแห่งชีวิตคําว่าเกิดขึ้นแล้วคือเกิดแล้วเป็นแล้วบังเกิดแล้ว ความกำเริบแห่งาธาตุและอาพาธต่างๆมีโรคเรื้อนโรคฝีและผุพองเป็นต้นซึ่งมีความกำเริบแห่งาธาตุนั้นเป็นสมุดฐานชื่อว่าพยาภาทะในบทว่าเว ย, ยาพาธิกานางนี้เวทนาทั้งหลายชื่อว่าเว ย, ยาพาธิกะเพราะเกิดแต่อาพาธต่างๆ คำว่าซึ่งเวทนาทั้งหลายได้แก่ทุกขเวทนาคือเวทนาอันเป็นอกุศ ล, ลวิบากซึ่งเวทนาทั้งหลายนั้นอันเกิดแต่อาภาตตต่างๆเหล่านั้นบทว่าอัพยาปะชะประมาตายะแปลว่าเพื่อความเป็นผู้ไม่มีทุกข์เป็นอย่างยิ่งอธิบายว่าทุกทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอันภิกษุละได้แล้วเพียงใด เพื่อความเป็นผู้ไม่มีทุกข์เป็นอย่างยิ่งเพียงนั้นปัจจะยาสันนิสิตาสีนี้ซึ่งมีอันพิจารณาโดยแยกายแล้วจึงบริโภคปัจจัยเป็นลักษณะนักศึกษาพึงทราบโดยสังเขปดังพันนามานี้ส่วนอัฐวิเคราะห์แห่งถ้อยคำในบทว่าปัจจะยาสันนิสิตาสีละนี้ดังนี้ก็แล ปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นเรียกว่าปัจจยะเพราะอัตหวิเคราะห์ว่าเป็นที่เป็นไปเป็นที่ดำเนินไปของสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายซึ่งอิงอาศัยบริโภคปัจจัยเหล่านั้นศีลอาศัยแล้วซึ่งปัจจัยเหล่านั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าปัจจยสั น, นิสิตาศีลฉะนี้แหล ธรรมาเป็นเหตุให้ปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่สำเร็จหนึ่งศรัทธาเป็นเหตุให้ปาติโมฆะสังวรศีลสำเร็จในศีลสี่อย่างดังที่พันณาณามาแล้วนี้ปาติโมฆะสังวรศีลอันโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วยศรัทธาจริงอยู่ปาติโมฆะสังวรศีล น, นั้น ชื่อว่ามีศรัทธาเป็นเหตุให้สำเร็จเพราะการบัญญัติสิกขาบทเป็นสิ่งที่เกินวิสัยของพระสาวกก็ในข้อนี้มีการทรงห้ามการขอบัญญัติสิกขาบทเป็นตัวอย่างเพราะเหตุนั้นอัญโยคีบุคคลพึงสมทานเอาสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้วยังไม่ให้มีเศษเหลือไม่กระทาความอาลัยแม้ในชีวิตพึงทาปาติโมกขสังวรศีนี้ ให้สำเร็จเป็นอย่างดีด้วยศรัทธาเถิดสมด้วยพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าพวกเธอจงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักมีความเคารพศีลตามรักษาศีลในการทุกเมื่อเหมือนนกต้อยติวิตรักษาฟองไข่เหมือนจามรีรักษาขนหางเหมือนมารดารักษาบุตรที่รักเหมือนคนตาเอกรักษาหน่วยตาข้างเดียวฉะนั้น แม้ตรัสไว้อย่างอื่นอีกว่ามหาสมุทรมีความดำรงอยู่เป็นธรรมดาไม่ไหลล้นฝั่งไปแม้ฉันใดปหาราธะสาวกทั้งหลายของเราก็เหมือนอย่างนั้นไม่ลวงข้ามสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แล้วสำหรับสาวกทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตก็แลในอัฏกถาที่บายนี้ นักศึกษาพึงเล่าเรื่องทั้งหลายของพวกพระเทระที่ถูกพวกโจรมัดไว้ในดงประกอบด้วยดังนี้เรื่องพระเทระถูกโจรมัดได้ยินว่าโจรทั้งหลายมัดพระเทระด้วยเกลือย่านางให้นอนอยู่ในดงชื่อมหาวัตตนีพระเทระได้เจริญวิปัสสนาตลอดเจ็ดวันทั้งทั้งที่นอนอยู่นั่นเทียว ได้บรรลุพระอนาคามิผลแล้วถึงซึ่งมรณภาพไปในดงนั่นเองแล้วไปเกิดในพรมโลกยังมีพระเทระรูปอื่นๆอีกในตำพักปั น, นิทวีปคือประเทศลังกาถูกพวกโจรเอาเถาวัวด้วนมัดให้นอนอยู่เมื่อไฟป่าลามมาท่านก็หาได้ตัดเถาวัลย์ไม่เริ่มเจริญวิปัสสนาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สมะสีสี ปริณิพนธแล้วพระอพยเทระผู้เชี่ยวชาญคำพีธิคานิกายพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปมาเห็นเข้าได้ทำชาปนากิจศพของพระเทระนั้นแล้วให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้เพราะฉะนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาแม้อื่นเมื่อจะชำระปาติโมกขสังวรศีนให้บริสุทธิ์พึงยอมสละแม้กระทั่งชีวิตโดยแท้ ไม่พึงทําลายปาติโมกขสังวรศีลอันพระโลกนราเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสองสติเป็นเหตุให้อินทรียสังวรศีลสำเร็จอันหนึ่งปาติโมกขสังวรศีลอันโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วยศรัทธาชั้นใด อินสียสังวรสีนอันโยคีบุคคลก็พึงให้สำเร็จด้วยสติฉันนั้นจริงอยู่อินสียสังวรสีนนั้นชื่อว่ามีสติเป็นเหตุให้สำเร็จเพราะอินรีทั้งหลายที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยสติแล้วเป็นสภาพอันบาปทำทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นจะพึงรั่วไหลเข้าไปไมิได้เพราะเหตุนั้นอันโยคีบุคคล ถึงระลึกถึงพระอาทิตยปริยายะสูตรโดยมีนัยยะมีอาทิว่าภิกษุทั้งหลายจากคุนซีอินรีคือจักสุถูกทิมแทงแล้วด้วยซี่เหล็กที่เผาอย่างร้อนลุกโชนมีแสงโชดช่วงอยู่ยังนับว่าประเสริฐส่วนการยึดถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้ด้วยจักสุไม่ประเสริฐเลย ดังนี้แล้วเมื่อวิญญาณเกิดทางจักสุทวารเป็นต้นในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นพึงกั้นความยึดถือซึ่งนิมิตเป็นต้นที่บารรมทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นจะพึงรั่วไหลเข้าไปพึงทมอินรียะสังวรศี น, นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีด้วยสติอันไม่หลงลืมเถิดก็แลเมื่ออินสียสังวรศีนีน้ อันภิกษุไม่ทําให้สําเร็จแล้วด้วยประการดังกล่าวมาแม้ปาติโมคะสังวรศีลก็ปลอยเป็นอันตั้งอยู่ไม่นานดํารงอยู่ไม่นานไปด้วยเหมือนข้าวกล้าที่เขาไม่ได้จัดการล้อมรัว้วฉะนั้นอันหนึ่งภิกษุผู้ไม่ทําให้อินทรียะสังวรศีน์สำเร็จนี้ย่อมจะถูกพวกโจรคือกิเลสล้นเอาได้ เหมือนบ้านที่เปิดประตูทิ้งไว้ย่อมจะถูกพวกโจรขโมยเอาได้ฉะนั้นอันหนึ่งราคะย่อมจะรั่วไหลไปสู่จิตของภิกษุนั้นได้เหมือนฝนรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉะนั้นสมดังพระพุทธวจนะที่ตรัสไว้ว่าจงรักษาอินทรีย์ที่รูปเสียงกลิน่นรสและผัสสะทั้งหลายเพราะว่า าวาเหล่านี้ถูกเปิดทิ้งไว้ไม่รักษาย่อมจะถูกโจรคือกิเลสปล้นเอาเหมือนพวกโจรปล้นบ้านฉะนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉนดันใดราคะย่อมจะรั่วไหลไปสู่จิตที่ไม่ได้อบรมแล้วฉันนั้นแต่เมื่ออินสียสังวรศี น, นั้นอันภิกษุทําให้สําเร็จแล้วแม้ปาติโมกสังวรศีน ก็ปล่อยเป็นอันตั้งอยู่ได้านานดำรงอยู่ได้านานไปด้วยเปรียบเหมือนเข้ากล้าที่เขาจัดการล้อมรั้วดีแล้วฉะนั้นอันหนึ่งภิกษุผู้ทําให้อินทรียสังวรศีนสําเร็จแล้วนี้ย่อมจะไม่ถูกพวกโจรคือกิเลสปล้นเอาได้เปรียบเหมือนบ้านที่ปิดประตูดีแล้วพวกโจรทั้งหลายก็ขโมยไม่ได้ฉะนั้นอนหนึ่ง ราคะย่อมจะรั่วไหลไปสู่จิตของภิกษุนั้นไม่ได้เหมือนฝนรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉะนั้นสมด้วยพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าจงรักษาอินทรีย์ที่รูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะทั้งหลายเพราะว่าทวารเหล่านี้ที่ปิดแล้วระวังดีแล้วอันพวกโจรคือกิเลสล้นไม่ได้เหมือนพวกโจรปล้นบ้านที่ปิดประตูดีแล้วไม่ได้ฉะนั้น ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะย่อมรั่วไหลเข้าไปสู่จิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นก็แลพระธรรมเทศานานี้นับเป็นพระธรรมเทศานาชั้นอุกฤิตอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าจิตนี้นั้นเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอัญโยคีบุคคลพึงบรรเทาราคะที่เกิดขึ้นแล้วด้วยมณสิการ ถึงอสุภะกรร ม, มฐานแลพึงทําให้อินทรียสังวรศีนสำเร็จเหมือนอย่างพระวังขีสะเทระผู้บวชไม่นานเถิดเรื่องพระวังขีสะเทระได้ยินว่าเมื่อพระวังขีสะเทระผู้บวชแล้วไม่นานกําลังเดินบินถบาทไปนั้นความกําหนัดเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะได้เห็นสตรีคนหนึ่งเพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียนพระอนันะเทระว่ากระผมถูกไฟคือกามราคะเผาเข้าแล้วจิตของกระผมถูกเผาจนเกลี่ยมสาธุท่านภูโคตมโคตรขอท่านได้ ก, กรุณาโปรดบอกอุบายเครื่องดับไฟให้ด้วยพระอนันะเทระได้กล่าวแนะนำว่าจิตของเธอถูกเผาเกลี่ยมเพราะสัญญาวิปลาสเธอจงเว้นสุภาพนิมิต อันประกอบด้วยความกำหนัดเสียจงอบรมจิตด้วยอสุภกรรมฐานทำให้ตั้งมั่นด้วยดีมีอารมณ์เป็นหนึ่งเธอจงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยเป็นอื่นโดยเป็นทุกข์และโดยมิใช่ตนจงทำความกำหนัดอันยิ่งใหญ่ให้ดับไปเสียจงอย่าได้มีความเร่าร้อนต่อไปเลยพระวังคีสเถระบรรเทาความกาหนัดได้แล้ว ก็เที่ยวบินทบาทต่อไปอีกประการหนึ่งอันภิกษุผู้บำเพ็ญอินทรียสังวรศีลพึ่งเป็นเหมือนพระจิตตะคุตตะเทระผู้อยู่ในถ้มใหญ่ชื่อคุณรัตกะและพระมหามิตตะเทระผู้อยู่ในมหาวิหารชื่อโจรกะเรื่องพระจิตตะคุตตะเทระได้ยินว่า ในถ้ำใหญ่กุรันทกะได้มีจิตตกรรมเกี่ยวกับเรื่องเสด็จออกทรงผนวดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงเจพระองค์เป็นสิ่งที่น่าจับใจภิกษุเป็นจํานวนมากพากันเที่ยวจ่าริชชมเสนาสนะมองเห็นจิตตกรรมแล้วเรียกพระเถระว่าจิตตกรรมเป็นสิ่งที่น่าจับใจมากขอรับพระเถระพูดว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายฉันอยู่ในถ้ำเกินกว่าหกสิบปีมาแล้ว ไม่ทราบหรอกว่ามีจิตกรรมหรือไม่มีอาศัยพวกเธอผู้มีตาจึงทราบในวันนี้เดี๋ยวนี้เองได้ยินว่าพระเทระถึงจะอยู่ตลอดการเท่านั้นก็ไม่เคยลืมตาขึ้นมองดูถ้ำเลยอันหนึง่งตรงที่ปากถ้ำของพระเทระนั้นได้มีต้นกากระถิงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแม้ต้นไม้นั้นพระเทระก็ไม่เคยมองขึ้นดูเลย ครันเห็นเกศรร่วงลงมาที่พื้นดินตามลำดับปีจึงทราบว่าต้นไม้นั้นบานพระราชาทรงสดับคุณสมบัติของพระเทระแล้วมีพระราชประสงค์เพื่อจะทรงนมัสการจึงได้ทรงส่รงราชบุรุษไปนิมนต์ถึงสามครั้งครันพระเทระไม่มาจึงทรงรับสั่งให้ผูกถันของสตรีผู้มีลูกอ่อนทั้งหลายในบ้านนั้น แล้วประทับตราพระราชลัญจกรไว้โดยมีพระราชองคการว่าทารกทั้งหลายอย่าได้ดื่มน้ำนมตลอดเวลาที่พระเทระยังไม่มาพระเทระจึงได้มาสู่หมู่บ้านใหญ่เพราะความเอ็นดูแก่ทารกทั้งหลายพระราชาทรงทราบแล้วทรงรับสั่งให้พาไปในพระราชวังว่าพนายพวกเธอจุงพาพระเทระเข้าไปฉันจะรับศีล ครั้นทรงนมัสการทรงให้ฉันเสร็จแล้วทรงมีพระราชดำรัสว่าพระคุณเจ้าวันนี้ยังไม่มีโอกาสพรุ่งนี้หม่อมฉันจึงจะรับศีลครั้นแล้วทรงรับบาดพระเทระเสด็จตามทรงไปหน่อยหนึ่งแล้วพร้อมด้วยพระราชเทวีทรงนมัสการแล้วเสด็จกลับพระราชชาจะทรงไหว้ก็ช่างพระราชเทวีจะทรงไหว้ก็ช่าง พระเทระคงถวายพระพรว่าขอพระมหาราชาจงทรงพระเกษมสำราญเถิดเป็นทํานองนี้ล่วงไปถึงเจ็ดวันพวกภิกษุจึงเรียนถามว่าท่านครับเมื่อพระราชาทรงว่ายอยู่ก็ดีเมื่อพระราชเทวีทรงว่ายอยู่ก็ดีทำไมท่านจึงถวายพระพ ร, พรเพียงอย่างเดียวว่าขอพระมหาราชาจงทรงพระเกษมสำราญเถิด พระเทระตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายฉันไม่ได้ทําความกําหนดแยกว่าพระราชาหรือพระราชเทวีโดยล่วงไปได้หนึ่งสัปดาห์พระราชาทรงดําริว่าการที่พระเทระอยู่ณที่นี้เป็นความลําบากจึงทรงพระกรุณาโปรดปล่อยให้พระเทระไปถึงถ้าใหญ่กุรันทกะได้ขึ้นสู่ที่จงกรมในส่วนแห่งราตรี เทวดาที่สิงอยู่ต้นกากระทิงได้ยืนถือประทีปด้ามให้อยู่ครั้งนั้นกรรมฐ า, านของท่านได้ปรากฏบริสุทธิ์ยิ่งนักพระเทระดีใจว่าวันนี้ทำไมหนอกรรมฐ า, านของเราจึงปรากฏชัดเสียละเกินแล้วทำภูเขาให้สะเทือนสะถานไปทั้งลูกได้บรรลุพระอรหันต์แล้วในลำดับแห่งมัชชิมยามเพราะฉะนั้น แม้กุลบุตรอื่นๆผู้ใครต่อประโยชน์ของตนไม่พึงเป็นผู้มีหน่วยตาล็อกแลกเหมือนลิงในป่าเหมือนมฤรุคาตกใจตื่นในวนาและเหมือนทารากาอ่อนสะดุ้งกลัวพึงทอดจักสุพึงแลดูชั่วแอกอย่าพึงไปสู่อำนาจของจิตอันมีปกติลุกลิกเหมือนลิงในป่า เรื่องพระมหามิตเทระฝ่ายมารดาของพระมหามิตเทระได้เกิดเป็นโรคฝีมีพิษขึ้นแม้ทิดาของท่านก็บวชในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายท่านจึงพูดกับทิดาว่าไปเถอะจงไปสำนักของพี่ชายเรียนถึงภาวะที่แม่ไม่สบายแล้วนำเอายามานางได้ไปกราบเรียนพี่ชายแล้วพระเถระพูดว่า ฉันไม่รู้ที่จะเก็บยาทั้งหลายมียารากไม้เป็นต้นมาบรุงให้เป็นเศสัต์ได้ก็แต่ว่าฉันจักบอกยาให้แก่เธอว่านับจำเดิมตั้งแต่บวชมาฉันไม่เคยทำลายอินทรีย์ทั้งหลายและดูรูปอันเป็นวิสภาคด้วยจิตอันประกอบด้วยโลภะเลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสบายจงมีแกโยมมารดาของฉัน เธอจงไปแล้วกล่าวคำนี้พลางรูปร่างกายให้แก่โยมมารดาไปด้วยภิกษุณีนั้นไปเรียนข้อความนี้แก่มารดาแล้วได้กระทำตามพระเทระแนะนำทุกประการฝีของอุบาสิกาได้ฟออันตรธานหายไปเหมือนก้อนฟองน้ำในทันทีทันใดนั้นนั่นแหละมารดาของพระเทระนั้นลุกขึ้นมา เปล่งวาจาแสดงถึงความดีใจว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ทำไมจะไม่พึงทรงรูปศรีรษะของภิกษุผู้เช่นบุตรของเราด้วยพระหัตอันวิจิตไปด้วยลายตะขายเล่าเพราะฉะนั้นแม้บุคคลอื่นซึ่งถือตนว่าเป็นกุลบุตรบวชในศาสนาแล้วพึงดำรงอยู่ในอินสิยสังวรสินอันประเสริฐ เหมือนอย่างพระมาหามิตรเถระนั่นเถิดสวิริยะเป็นเหตุให้อาชีวะปาริสุทธิ์ที่ศีลสำเร็จอันหนึ่งอินสียะสังวรศีลอันโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วยสติฉันใดอาชีวะปาริสุทธิ์ที่ศีล อันโยคยีบุคคลพึงให้สาเร็จด้วยวิริยะฉันนั้นจริงอยู่อาชีวะปาริสุทธิสี่นั้นชื่อว่ามีวิริยะเป็นเหตุให้สาเร็จเพราะวิริยะที่ปรารบโดยชอบแล้วเป็นการประหารมิจฉาอาชีวะเพราะฉะ น, นั้นอันภิกษุพึงละอเนสนาคือการสแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะสมแล้ว เสพอยู่ซึ่งปัจจัยทั้งหลายอันเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์เท่านั้นหลีกเว้นอยู่ซึ่งปัจจัยทั้งหลายอันเกิดขึ้นโดยไม่บริสุทธิ์เหมือนหลีกเว้นอสสารพิษทั้งหลายพึงทําอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลนี้ให้สําเร็จด้วยวิริยะด้วยการแสวงหาโดยชอบมีการเที่ยวบินทบาตเป็นต้นเถิดในปัจจัยสองอย่างนั้นสําหรับภิกษุ ผู้ไม่ได้ถือทุดงปัจจัยทั้งหลายที่เกิดจากสงฆ์จากคณะและจากสำนักของเขาหรหัสทั้งหลายผู้เลื่อมใสโดยคุณทั้งหลายของภิกษุนั้นมีการแสดงธรรมเป็นต้นชื่อว่าปัจจัยอันเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์ส่วนปัจจัยที่เกิดจากการบินทบาตเป็นต้นชื่อว่าเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งนั่นเทียวสำหรับภิกษุ พูดถือทุดงปัจจัยทั้งหลายที่เกิดจากการเที่ยวบินทบาตเป็นต้นและที่เกิดจากสำนักของผู้เลื่อมใสในทุดงคข้าคุณของภิกษุนั้นโดยอนุโลมแก่ทุดงคานิยมชื่อว่าปัจจัยอันเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์อันหนึ่งเมื่อสมอดองด้วยมูดเนา่าและมัทุระเภสัชสี่อย่างเกิดขึ้นเพื่อบำบัดพยาธิชนิดหนึ่งภิกษุนั้นคิดว่า แม้เพื่อนพรมจันอื่นๆจากชั้นมัทุระเพสัสสี่ดังนี้แล้วจึงฉันแต่ชิ้นแห่งสมอเท่านั้นการสมทานทุดมของเธอจัดว่าเป็นการสมควรจริงอยู่ภิกษุนี้เรียกได้ว่าเป็นภิกษุผู้ดำรงอยู่ในอริยวงชั้นอุดมอันหนึ่งในบรรดาปัจจจยสี่มีจีวรเป็นต้นนี้นั้น สำหรับภิกษุผู้ชำระอาชีวะให้บริสุทธิ์รูปใดรูปหนึ่งนิมิตโอภาษปริกถาและวิญญัตย่อมไม่ควรในจีวรและบินทบาทส่วนภิกษุผู้ไม่ถือทุดงนิมิตโอภาษและปริกถาย่อมควรในเสนาสนะในนิมิตโอภาษและปริกถานั้นมีอธิบายดังนี้ เมื่อภิกษุกําลังทําการปราบพื้นเป็นต้นเพื่อสร้างเสนาสนะมีพวกข้ารืหัดถามว่าจะสร้างอะไรขอรับใครจะเป็นผู้สร้างให้คําตอบว่ายังไม่มีใครดังนี้ก็ดีหรือแม้การกระทํานิมิตอย่างอื่นใดเห็นปานชนีชื่อว่านิมิตภิกษุถามว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกท่านอยู่ที่ไหน เมื่อเขาบอกว่าพวกกระผมอยู่ที่ปราสาทขอรับภิกษุพูดว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ปราสาทยอมไม่สมควรแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ก็ดีก็หรือแม้การกระทำโอภาสอย่างอื่นใดเห็นปานชนี้ชื่อว่าโอภาษการพูดว่าเสนาสนะของภิกษุสงฆ์คับแคบดังนี้ก็ดี และหรือแม้การกล่าวโดวยปริยายอย่างอื่นใดเห็นปานชนี้ชื่อว่าปริกถาในปัจจยเพศสัตวสมควรแม้ทุกๆประการแต่ครั้นโรคหายแล้วจะฉันเพศสัตวที่เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนั้นย่อมไม่ควรในอธิการแห่งเพศสัตวนี้นั้นอาจารย์ผู้สรงพระวินัยทั้งหลายกล่าวไว้ว่า ราผู้มีพระภาคทรงประทานประตูไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นจึงสมควรส่วนพวกอาจารย์ผู้ชำนาญพระสูตรกล่าวไว้อย่างเด็ดขาดว่าถึงแม้จะไม่เป็นอาบัติก็จริงแต่ทำอาชีวะให้เสียหายเพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรก็แลภิกษุใดไม่ยอมกระทํานิมิตโอภาษปริกถาและวิญญติ ทั้งทั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้วอาศัยคุณมีความมากน้อยเป็นต้นเท่านั้นแม้ถึงความจะสิ้นชีวิตปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าก็คงเสพปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยเว้นจากการสแสวงหาโดยไม่สมควรมีโอภาสเป็นต้นนั่นเทียวภิกษุนี้เรียกได้ว่าผู้มีความประพฤติขัดเกลาชั้นยอดแม้ทานองเดียวกับพระสารีปุตตะเทระ เรื่องพระสารีปุตตะเทระต้องอาพาธได้ยินว่าสมัยหนึ่งท่านพระสารีปุตตะเทระนั้นจะเพิ่มพูนความสงัดจึงพร้อมกับท่านพระมหาโมคลานะเทระไปพักอยู่ในป่าแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีปุตตะเทระนั้นได้เกิดอาพาธลมเสียท้องขึ้นมันได้ทำความทุกข์อย่างหนักให้เกิดแก่ท่าน พระมหาโมคลาณะเทระไปยังที่อุปัฏฐาของท่านในเวลาเย็นเห็นพระเทระนอนอยู่สอบถามซึ่งพฤติการนั้นแล้วเรียนถามว่าท่านขอรับครั้งก่อนท่านหายด้วยเพสัชอะไรพระเทระสารีปุตตะเรียนบอกว่าท่านเมื่อครั้งยังเป็นขฤรือหัดมาดาของผมได้ให้ข้าวป่ายาดหุงด้วยน้านมล้วนผสมกับเนยาสน้สานพึ่งและน้าตาลกรวด ผมได้หายโรคเพราะข้าปลายาดนั้นฝ่ายท่านพระมหาุมคลาณะเทระนั้นเรียนว่าเอาเถอะท่านถ้าบุญของกระผมหรือบุญของท่านมีอยู่พรุ่งนี้เราจากต้องได้อย่างแน่นอนก็หลยยังมีเทวดาที่สิงอยู่บนต้นไม้ท้ายทียท่จงกรมได้ยินพระเทระทั้งสองสนทนากันเช่นนั้นจึงคิดว่าพรุ่งนี้เราจะบันดาลให้ข้าวปลายาเกิดขึ้นแก่พระผู้เป็นเจ้าทัานใดนั้น ได้ไปยังตระกูลอุปถาของพระเทระเข้าสิงร่างกายบุตรคลโตบรรดาลให้เกิดความดิ้นรนอยู่ลำดับนั้นเทวดาจึงเด็กล่าวกับพวกญาติญาติของบุตรคลโตนั้นซึ่งมาประชุมกันหมายจะเยียวยารักษาว่าถ้าพวกท่านรับจะจัดข้าวปลาญาติเห็นปานชนี้ถวายเดยบระเทระในวันพรุ่งนี้ฉันจึงจะปล่อยมันพวกญาติเหล่านั้นรับว่าแม้ถึงท่านไม่บอก พวกเราก็ถวายพิกษาหารแก่พระเทระทั้งหลายเป็นการประจำอยู่แล้วรั้นถึงวันที่สองได้พากันจัดข้าวปลาญาติเห็นปานดังนั้นไปถวายแล้วพระมหาโมคลานะมาถึงแต่เช้าตรู่เรียนว่าท่านขอรับนิ ม, มนต์คอยอยู่ณที่นี้แหละจนกว่ากระผมไปบิณฑบาตกลับมาแล้วก็เข้าไปบ้านพวกมนุษย์เหล่านั้นรับบาดของพระเทระ ใส่ให้เต็มด้วยข้าวปลายาดมีประการดังกล่าวแล้วจึงถวายไปพระเทระแสดงอาการที่จะไปพวกมนุษย์เหล่านั้นเรียนว่านิมนต์ท่านฉันเถิดขอรับพวกกระผมจะถวายข้าวปลายาดแม้อื่นอีกครั้นให้พระเทระฉันเสร็จแล้วได้ถวายไปอีกจนเต็มบาทพระเทระไปแล้วน้อมข้าวปลายาดเข้าไปพร้อมกับพูดว่าท่านสารีปุตตะ นิมนฉันเสถเถิดฝ่ายพระสารีบุตรตาเทระเห็นข้าวปายาสนั้นแล้วพิเคราะห์ดูว่าข้าวปายาตเป็นที่น่าพึงใจยิ่งนักเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหนอครั้นเห็นมูลเหตุเกิดของข้าวปายาสนั้นแล้วจึงพูดว่าท่านโมคคลานะเอาไปเสเถิดบินทบาทไม่ควรแก่อันจะบริโภค ฝ่ายท่านพระมหาโมคลานะเทระแม้แต่จะคิดว่าพระสารีปุตตะไม่ยอมฉันบินธบาต ท, ที่คนอย่างเรานำมาถวายก็ไม่มีด้วยคำพูดเพียงคำเดียวเท่านั้นก็รีบคว้าจับบา ท, ที่ขอบปากไปเทความลงเนื้อส่วนข้างหนึ่งอาพาธของพระเทระได้หายไปพร้อมกับข้าวปลายา จ, จรดพื้นดินจำเดิมแต่นั้นมาตลอดเวลา 45, สา้าพรรษา อาพาธก็มิได้เกิดขึ้นอีกเลยด้วยเหตุนั้นพระสารีปุตตะเทระจึงกล่าวกับพระมหาโมคคลานะเทระว่าท่านโมคลานะข้าพายาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวจีวิญญัตเป็นสิ่งไม่สมควรเพื่อจะฉันถึงแม้ไสจะไหลออกมาเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ที่พื้นดินก็ตามและได้เปล่งคำอุทานดังนี้ว่า ถ้าเราจะพึงชันข้าวมาทุบายญาติอันเกิดขึ้นเพราะเปล่งวจีวิญญาณไซอาชิวะของเราก็จะพึงถูกบัณฑิตขรหาแม้ว่าไซของเราจะไหลออกมาเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกก็ตามเรายอมเอาชีวิตเข้าแลกจะไม่พึงทำลายอาชิวะเป็นอันขาดเราทำจิตของเราให้รื่นรมเราหลีกเว้นอเนสนาคือการสแสวงหาอันไม่สมควร และเราจะไม่กระทําอเนสนาที่พระพุทธองค์ทรงรังเกียจแล้วอันหนึ่งในอธิการแห่งอาชีวะปาริสุดที่เสียนี้นักศึกษาพึงเล่าเรื่องของพระอัมพขาท ก, กะมหาติศสเทระซึ่งอยู่ประจำนาจิระคุมพาวิหารประกอบด้วยนักศึกษาพึงทราบอาธิบายแม่ในทุกๆบทดังที่ได้อธิบายมานี้ นักพรตผู้มีวิจารณญาณบวชแล้วด้วยศรัทธาแม้แต่คิดก็อย่าให้เกิดในอเนสนาพึงชำระอาชีวะให้บริสุทธิ์เถิดสปัญญาเป็นเหตุให้ปัจจยะสันนิสิตาสีนสำเร็จอันหนึ่งอาชีวะปาริสุทธิ์ศีล อัญโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วยวิริยะชันใดปัจจยาสันนิสิตาสีนอัญโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วยปัญญาฉันนั้นจริงอยู่ปัจจยาสันนิสิตาสีนั้นชื่อว่ามีปัญญาเป็นเหตุให้สำเร็จเพราะผู้มีปัญญาจึงจะสามารถมองเห็นโทษและอนิสงของปัจจัยทั้งหลายได้เพราะเหตุนั้น ภิกษุพึงละความกำนัดยินดีในปัจจัยแล้วพึงพิจารณาปัจจัยทั้งหลายอันเกิดขึ้นโดยธรรมสม่ำเสมอโดวยวิธีดังที่ได้พันนนามาแล้วจึงบริโภคพึงทำปัจจยาสันนิสิตาสีนี้ให้สำเร็จด้วยปัญญาเถิดการพิจารณาปัจจัยทั้งหลายในปัจจยาสันนิสิตาสีนั้นมีสองอย่าง คือพิจารณาในเวลารับหนึ่งพิจารณาในเวลาบริโภคหนึ่งอธิบายว่าปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นที่ซึ่งได้พิจารณาด้วยสามารถแห่งความเป็นาธาตุหรือความเป็นของปฏิกูลแม้ในเวลารับแล้วเก็บไว้เมื่อภิกษุบริโภคเลยจากเวลารับนั้นไปการบริโภคก็หาโทษไม่ได้เลย การบริโภคแม้ในเวลาบริโภคก็หาโทษไม่ได้เหมือนกันการบริโภคสี่อย่างในการพิจารณาในเวลาบริโภคนั้นมีวินิจฉัยที่ทำความตกลงไว้ดังนี้ก็แลการบริโภคมีสี่อย่างคือเถรยะปริโภคะบริโภคเป็นขโมยหนึ่งอินะริโภคะ บริโภคเป็นนี่หนึ่งทายะชะบริโภคะบริโภคเป็นทายาตหนึ่งสามิปริโภคะบริโภคเป็นนายหนึ่งในสี่อย่างนั้นการบริโภคของภิกษุผู้ทุศีลแม้นั่งบริโภคอยู่ในถ้ำกลางสงชื่อว่าเถอยะบริโภคะการบริโภคไม่ได้พิจารณาของภิกษุผู้มีศีล ชื่อว่าอินะบริโภคะเพราะเหตุนั้นจีวรพึงพิจารณาในทุกๆขณะที่บริโภคบินทบาดพึงพิจารณาในทุกๆคําข้าวเมื่อภิกษุไม่สามารถปฏิบัติเหมือนอย่างนั้นในเวลาก่อนอาหารหลังอาหารในปุริมยามในมาชิ ม, มยามและปัจจิ ม, มัยยามถ้าไม่ได้พิจารณาเลย ปล่อยให้อารุณขึ้นภิกษุนั้นชื่อว่ายอมตั้งอยู่ในฐานะเป็นอินะบริโภคแม้เสนาสนะก็พึงพิจารณาในทุกๆขณะที่บริโภคสำหรับเภสัชเมื่อมีสติเป็นปัจจัยทั้งในขณะรับทั้งในขณะบริโภคจึงจะควรแม้เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อภิกษุทำสติในขณะรับแล้วขณะบริโภคไม่ได้ทำอีก เป็นอาบัตไม่ทำในขณะรับแต่ทำในขณะบริโภคไม่เป็นอาบัติสุทธิสีอสส่อย่างก็แล้สุทธิมีสี่อย่างคือเทศนาสุทธิหนึ่งสังวรสุทธิหนึ่งป ร, เริเยติสุทธิหนึ่งปัจจเวขณะสุทธิหนึ่งในสี่อย่างนั้น ปาติโมกขสังวรศีนชื่อว่าเทศนาสุธิจร <OR Zelda> ิงอยู่ปาติโมกขสังวรสีน์นั้นเรียกว่าเทศนาสุธิเพราะบริสุทธ์ด้วยการแสดงอาบัตอินศิยะสังวรศีนชื่อว่าสังวรสุทธิจริงอยู่อินศิยะสังวรศีนนั้นเรียกว่าสังวรสุทธิเพราะบริสุทธ์ด้วยความสังวร คือตั้งใจว่าจะไม่กระทำอย่างนี้ต่อไปอาชีวปริสุทธิศีลชื่อว่าป ร, เริเยติสุทธิจริงอยู่อาชีวปริสุทธิศีล น, นั้นเรียกว่าป ร, เริเยติสุทธิเพราะปริสุทธิ์ด้วยการแสวงหาของภิกษุผู้ละอเนสนาแล้วจึงยังปัจจัยทั้งหลายให้เกิดขึ้นอยู่โดยธรรมโดยสม่ำเสมอ ปัจญาสันนิสิตาสีนชื่อว่าปัจเจเวขณะสุธิจริงอยู่ปัจญาสันนิสิตาสีนนั้นเรียกว่าปัจเจเวขณะสุธิเพราะบริสุทธ์ด้วยการพิจารณามีประการดังพันนามาแล้วด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อไม่ทำสติในขณะรับแต่ทำในขณะบริโภคไม่เป็นอาบัต ด, ดังนี้ การบริโภคปัจจัยของพระเสขบุคคลทั้งหลายเจ็ดจำพวกชื่อว่าทายัทชบริโภคจริงอยู่พระเสขบุคคลเหล่านั้นเป็นพระบุตรของพระผู้มีพระภาคเพราะเหตุนั้นพระเสขบบุคคลเหล่านั้นย่อมบริโภคปัจจัยทั้งหลายโดยฐานเป็นทายาทแห่งปัจจัยทั้งหลายอันเป็นสมบัติของพระบิดา ถามก็พระเสกขาบุคคลเหล่านั้นบริโภคปัจจัยทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคหรือไม่ใช่บริโภคปัจจัยทั้งหลายของค้าเรือหัดรอกหรือตอบแม้ปัจจัยทั้งหลายอันพวกคฤาเรือหัดถวายแล้วก็จัดเป็นของแห่งพระผู้มีพระภาคเพราะเป็นสิ่งอันพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้เพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบว่า พระเศขาบุคคลทั้งหลายยอมบริโภคปัจจัยทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคอันหนึ่งธรรมทายาทสูตรเป็นเครื่องสาธกในอธิการนี้การบริโภคของพระขีนาศพทั้งหลายชื่อว่าสามิบริโภคจริงอยู่พระขีนาศพเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคเป็นนาย เพราะล่วงพลนความเป็นาธาตุของตันหาไปในการบริโภคเหล่านี้สามิบริโภคหนึ่งทายัชะบริโภคหนึ่งย่อมสมควรแก่พระอริยะและปุถุชนทั้งหมดอินนบริโภคไม่สมควรทั้งหมดในเถรย่าบริโภคไม่จำมีอันพูดถึงกันละอันหนึ่ง การบริโภคที่ได้พิจารณาแล้วของภิกษุผู้มีศีลนี้ใดการบริโภคนั้นจัดเป็นการบริโภคที่ไม่เป็นนี่เพราะเป็นค่าศึกแก่การบริโภคเป็นนี่หรือจะจัดสงเคราะห์เข้าในทายัชาบริโภคนั้นแหละก็ได้จริงอยู่แม้ภิกษุผู้มีศีลก็ย่อมถึงซึ่งอันนับเป็นเศขะได้เหมือนกันเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลสิกขานี้ อันหนึ่งในบรรดาบริโภคสี่อย่างนี้เพราะสามิบริโภคจัดเป็นการบริโภคชั้นยอดฉะนั้นอันภิกษุเมื่อปรารถนาซึ่งสามิบริโภคนั้นพึงพิจารณาด้วยวิธีพิจารณาอันมีประการดังกล่าวมาแล้วจึงบริโภคพึงยังปัจจะยสันนิสิตาสีนให้สาเร็จเถิดก็แล้เมื่อภิกษุกระทำได้ดังกล่าวมานี้ ย่อมจัดว่าเป็นกิจจ า, ารีผู้มีปกติกระทำกิจสมด้วยนิพนธพจนบัณฑิตประพันธ์ไว้ว่าพระสาวกผู้มีปัญญาอันประเสริฐได้สดับธรรมอันพระสุคตเจ้าทรงสแสดงแล้วพึงพิจารณาก่อนจึงเสพบิณฑบาตวิหารที่นอนที่นั่งและน้ำสำหรับซักล้างทุลีจับผ้าสังาติเพราะเหตุนั้นแหล ภิกษุจึงเป็นผู้เมติดในปัจจัยธรรมเหล่านี้คือบินทบาทที่นอนที่นั่งและน้ำสำหรับซักล้างทุลีจับผ้าสังขติเหมือนหยดน้ำไม่ติดในใบบัวฉชนั้นภิกษุนั้นครั้นได้อาหารโดยการอนุเคราะห์จากคนอื่นตามการแล้วพึงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นติดต่อกันไปรู้จักประมาณในของเคี้ยวของฉันและของลิมเลียทั้งหลาย เหมือนคนไข้รู้จักประมาณในการทาแผลและพอกยาฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้ไม่หลงติดฉนันอาหารเพียงเพื่ อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปเหมือนมารดาบิดากินเนื้อแห่งบุตรในทางกันดานและเหมือนพ่อค้าเกวียนหยอดน้ำมันพลาเกวียนฉะนั้นอนหนึ่งในความเป็นผู้กระทำปัจจยาสันนิสิตะศีนี้ให้บริสุทธิ์นักศึกษาพึงเล่าเรื่อง สามเณรสังฆราคิตตะผู้หลานประกอบด้วยจริงอยู่สามเณร น, นั้นพิจารณาโดยชอบแล้วจึงบริโภคสมดังคำประพันธ์ที่สามเณร น, นั้นกล่าวไว้ว่าพระอุปัชฌายะได้สอนข้าพเจ้าซึ่งกำลังฉันข้าวสาลีอันเย็นสนิทว่าพ่อสามเณรเจ้าจงอย่าเป็นคนไม่สำรวมเผาลิ้นตัวเองเสียนะ ข้าพเจ้าได้ฟังคำสอนของพระอุปัชฌายะแล้วก็ได้ความสังเวชในขณะนั้นนั่งอยู่ที่อาสนะเดียวได้บรรลุพระอรหัตแล้วข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีความดำริเต็มบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเป็นผู้มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วบัดนี้พบไม่มีอีกแล้วเพราะเหตุนั้น กุลบุตรแม่อื่นปรารถนาความสิ้นไปแห่งทุกข์พึงพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงเสพปัจจัยทั้งหลายเถิดศีลสี่อย่างโดยแยกเป็นปาติโมกขสังวรศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้